พระมหาสัตว์ทรงไหว้ข้ามมหาสมุทรอยู่เจ็ดวันเหมือนไหว้ข้ามวันเดียวพระองค์ทรงสังเกตเวลานั้นว่าวันนี้เป็นวันปุรณมีจึงบ้วนพระโอ์ด้วยน้ำเค็มทรงสมาทานอุโบสถศีลก็ในการนั้นเท้าโลกบาลทั้งสี่มอบให้เทพธิดาชื่อมณีเมฆขาเป็นผู้ดูแลมหาสมุทรว่าจงรักษาสัตว์ทั้งหลายผู้ประกอบด้วยคุณ มีบำรงมารดาเป็นต้นผู้ไม่สมควรจะตายในมหาสมุทรนางมณีเมฆลาไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทรเป็นเวลาเจวันเล่ากันว่านางเสวยทิพยสมบัติเพลินก็เผลอสติไม่ได้ตรวจตราบางอาจารย์กล่าวว่านางเทพธิดาไปสมาคมเทพเสียนางคิดได้ว่าวันนี้เป็นวันที่เจ็ที่เราไม่ได้ตรวจตรามหาสมุทร มีเหตุอะไรบ้างหนอเมื่อนางตรวจดูก็เห็นพระมหาสัตว์จึงคิดว่าถ้ามหาชนกกุมารจากตายในมหาสมุทรเราจะไม่ได้เข้าเทวะสมาคมคิดฉะนั้นแล้วตกแต่งสรีระสถิตยอยู่ในอากาศไม่ไกลพระมหาสัตว์เมื่อจะทดลองพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาแรกว่านี้ใคร เมื่อแลไม่เห็นฝั่งก็อุตสาห์พยายามว่าอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรท่านรู้อำนาจประโยชน์อะไรจึงพยายามว่าอยู่อย่างนี้นักหนาะบรรดาคําเหล่านั้นคําว่าเมื่อแลไม่เห็นฝั่งอปัสสันตีรังได้แก่แลไม่เห็นฝั่งเลยคําว่าอุตสาห์พยายามอายุเหได้แก่กระทําความเพียร ครั้งนั้นพระมหาสัตว์ทรงดำริว่าเราว่ายข้ามมหาสมุทรมาได้เจ็ดวันเข้าวันนี้เราไม่เคยเห็นคนที่สองเลยนี่ใครหนอมาพูดกับเราเมื่อแลไปในอากาศก็ท้อพระเนรเห็นนางมณีเมฆขาลาจึงตรัสคาถาที่สองว่าแน่เทวดาเราไตร่ตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกและอานิสงค์แห่งความเพียร เพราะฉะนั้นถึงจะมองไม่เห็นฝั่งเราก็ต้องพยายามว่าอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไตรตรองเห็นปฏิปทาแห่งโลกนิสัมมะวัดตังโลกัสะความว่าเรานั้นไตรตรองคือใครครวญวัดคือปฏิปทาของโลกอยู่คำว่าและแห่งความเพียรวายามัสสะจะ ความว่าพระมหาสัตว์แสดงความว่าเราไตรตรองคือเห็นอานิสง์แห่งความเพียรอยู่คาว่าเพราะฉะนั้นตัสมาความว่าเพราะเราไตรตรองอยู่คือรู้ว่าชื่อว่าความเพียรของคนย่อมไม่เสียหายย่อมให้ตั้งอยู่ในความสุขฉะนั้นแม้จะมองไม่เห็นฝั่งก็ต้องพยายามคือกระทำความเพียร อธิบายว่าเราจะไม่คํานึงถึงข้อนั้นได้อย่างไรนางมณีเมฆขลาปรถนาจะฟังธรรมกถาของพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาอีกว่ามหาสมุรลึกจนประมาณไม่ได้ฟังไม่ปรากฏแก่ท่านความพยายามอย่างลูกผู้ชายของท่านย่อมเปล่าประโยชน์ท่านยังไม่ทันถึงฟังก็จะตายปรรดาคําเหล่านั้นคําว่า ยังไม่ทันถึงอปปตวาววะความว่ายังไม่ทันถึงฝั่งเลยท่านก็จากตายครั้งนั้นพระมหาสัตรกนามมณีเมฆลาว่าท่านพูดอะไรอย่างนั้นเราทำความพยายามแม้ตายก็จากพ้นครหาตรัชนีแล้วจึงตรัสคาถาว่าบุคคลเมื่อกระทำความเพียรย่างลูกผู้ชายแม้จะตาย ก็ชื่อว่าไม่เป็นหนี้ในระหว่างหมย่าติเทวดาและบิดามารดาอนหนึ่งบุคคลเมื่อทำกิจอย่างลูกผู้ชายย่อมไม่เดือดร้อนในภายหลังบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าไม่เป็นหนี้อะนะโนความว่าแน่เทวดาบุคคลเมื่อกระทำความเพียรแม้จะตายก็ย่อมไม่เป็นหนี้ คือไม่ถูกติเตียนในระหว่างญาติทั้งหลายเทวดาทั้งหลายและพรหมทั้งหลายลำดับนั้นเทวดากล่าวคาถากับพระมหาสัตว์ว่าการงานที่ให้สําเร็จด้วยความพยายามไม่ได้ไร้ผลก่อให้เกิดความลำบากและความตายเกิดขึ้นเพราะทำการงานใดจะมีประโยชน์อะไรด้วยความพยายามในการงานอันนั้น บรรดาคำเหล่านั้นคำว่าที่ให้สาเร็จด้วยความพยายามไม่ได้อปาระเนยังความว่าไม่พึงถึงที่หมายด้วยความพยายามคำว่าความตายเกิดขึ้นเพราะการงานใดมัดจจุยัสสาพินิพภะตังความว่าการทำความพยายามในฐานะอันไม่สมควรใดจนมัจจุคือความตายนั่นแหละปรากฏขึ้น ความพยายามในฐานะอันไม่สมควร น, นั้นจะมีประโยชน์อะไรเมื่อนางมณีเมฆขลากล่าวอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์เมื่อจะทำนางมณีเมฆขลาให้จำนนตต่อถ้อยคำจึงได้ตรัสคาถาต่อไปว่าแนเทวดาผู้ใดรู้แจ้งว่าการงานที่ทำจะไม่รู้ล่วงไปได้จริงๆไม่รักษาชีวิตของตนไว้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 เราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่และได้เห็นท่านมาสถิตยอยู่ใกล้ๆเราเรานั้นจะพยายามตามความสามารถตามกำลังจักทำความเพียรที่บุรุษควรทำไปให้ถึงฝั่งแห่งมหาสมุทรบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าลุล่ลวงอัจจันตังความว่าผู้ใดรู้แจ้งการงานนี้ว่าแม้ทำความเพียรก็ไม่อาจให้สำเร็จได้ ไม่ลุล่วงไปได้จริงๆทีเดียวดังนี้แล้วไม่นำช้างดุร้ายและช้างตกมันเป็นต้นออกไปเสียชื่อว่าไม่รักษาชีวิตของตนข้อว่าถ้าผู้นั้นละความเพียรก็จะพึงรู้ผลชัญญาโศยธิหาไปเยความว่าถ้าผู้นั้นละความเพียนในฐานะเช่นนั้นเสีย ก็จะพึงรู้ผลแห่งความเกียรติคร้านนั้นคำที่ท่านกล่าวนั้นนั้นไรประโยชน์พระมหาสัตว์ทรงชี้แจงดังนี้ก็คำที่เขียนไว้ในบาลีว่าชัญญาโสยธทิหาปเยนั้นไม่มีในอัตถกถาคำว่าผลแห่งความประสงค์อธิ ป, ปายพลังความว่าคนบางพวกเห็นผลแห่งความประสงค์ของตน ประกอบการงานมีกสิกรรมและพาณิชยกรรมเป็นต้นเพราะว่าการงานเหล่านั้นจะสําเร็จหรือไม่ก็ตามตานิอิจชันติวะนะวาความว่ารมมหาสัตว์แสดงความว่าเมื่อบุคคลกระทําความเพียรทางกายและความเพียรทางใจว่าเราจะไปในที่นี้จะเรียนสิ่งนี้ การงานเหล่านั้นย่อมสำเร็จแน่นอนเพราะฉะนั้นจึงควรทำความเพียรแท้ข้อว่าคนอื่นๆจมในมหาสมุทรหมดเราคนเดียวยังว่ายข้ามอยู่สัญ น, นาอันเยตรามะหังความว่าคนอื่นๆจมคือจมลงในมหาสมุทรคือเมื่อไม่ทำความเพียรก็เป็นพักษาแห่งปลาและเต่ากันหมดแต่เราคนเดียวเท่านั้นยังว่ายข้ามอยู่ ข้อว่าและได้เห็นท่านมาสถิตยอยู่ใกล้ๆเราตัานจะปัตสามิสันติเกความว่าท่านจงดูผลแห่งความเพียรของเราแม้นี้เราไม่เคยเห็นเทวดาโดยอัตภาพนี้เลยเรานั้นก็ได้เห็นท่านมาสถิตยอยู่ใกล้ๆเราโดยอัตภาพทิพนี้คำ ว, ว่าตามความสามารถตามกําลังยะถาสัติยะถาพลัง ความว่าสมควรแก่ความสามารถและกําลังของตนคําว่าจักทำกาสังได้แก่จักกระทําเทวดาได้สดับประวาจาอันมั่นคงของพระมหาสัตว์นั้นเมื่อจักสรรเสริญพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาว่าท่านใดถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมไม่จมลงในห้วงมหันยนบซึ่งประมาลนม้ได้เห็นปานนี้ด้วยกิจ คือความเพียรของบุรุษท่านนั้นจงไปในสถานที่ที่ใจของท่านยินดีนั้นเถิดบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเห็นปานนี้เอวังะเตความว่าในห้วงน้ำซึ่งประมาณมิได้เห็นปานนี้คือในมหาสมุทรทั้งลึกทั้งกว้างคำว่าถึงพร้อมด้วยความพยายามโดยธรรมธรรมวายามะสัมปันโน ความว่าประกอบด้วยความพยายามอันชอบธรรมคาว่าไม่จมลงด้วยกิจคือความเพียรของบุรุษกัมมุนานาวสีทสิความว่าท่านไม่จมลงด้วยกิจคือความเพียรอย่างลูกผู้ชายของตนคําว่าในสถานที่ของท่านยัตะเตความว่าใจของท่านยินดีในสถานที่ใด ท่านจงไปในสถานที่นั้นเถิดก็แลครั้นกล่าวอย่างนี้แล้วนางมณีเมฆขลาได้ถามว่าข้าแต่ท่านบัณฑิตผู้มีความบากบันมากข้าพเจ้าจากนำท่านไปที่ไหนเมื่อพระมหาสั ต, ตรัสว่ามิธิลานครนางจึงอุ้มพระมหาสัตว์ขึ้นดุดคนยกกาดอกไม้ใช้แขนทั้งสองประคองให้นอนแนบสวง พาเหาะไปในอากาศเหมือนคนอุ้มลูกฉะนั้นพระมหาสัตว์มีพระสรีระเศร้าหมองด้วยน้ำเข็มตลอดเจ็ดวันได้สัมผัสทิพยพัสะก็บันทมหลับลำดับนั้นนางมณีเมฆขลานำพระมหาสัตว์ถึงมิธิลานครให้บันทมโดยเบื้องขวาบนแผ่นศิลาอันเป็นมงคลในสวนมะม่วง เมื่อห้หมู่เทพเจ้าในสวนคอยอารักขาพระมหาสัตว์แล้วไปสู่ที่อยู่ของตน